1>, 1. ปัตตวสิกขาบทที่1ิว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายแก่บุคคลเรื่องภิกษุณีทุละนันทา778สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุละนันทาเป็นพระหูสูตรเป็นนักพูด แก่กล้าสามารถกล่าวทำมีกระถาคนจํานวนมากเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันทานั้นสมัยนั้นบริเวณที่อยู่ของภิกษุณีทุลนันทาชำรุดชาวบ้านได้กล่าวกับภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้าเพราะเหตุไรบริเวณที่อยู่ของท่านจึงชำรุดเล่านางตอบว่าเพราะไม่มีทายกผู้ก่อสร้างซ่อมแซมก็ไม่มี คนทั้งหลายจึงรวบรวมบริขารที่เขาให้ด้วยความพอใจเป็นค่าบุรณะบริเวณถวายภิกษุณีทุลนันทาแต่ภิกษุณีทุลนันทาขอให้เอาบริขารนั้นแลกเปลี่ยนเพศศัตวูเองแล้วบริโภคพวกชาวบ้านทราบเรื่องเข้าจึงตำหนิประนามพลธ น, นาว่าฉไนแม่เจ้าทุลนันทาจึงให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่บุคคลที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นาเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุจึงได้นาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ